สมัยนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนหยาบมีความผิดติดตัวกันมากมายเรากับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอดีตนั้นเราได้ทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนี่ก็เป็นเราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามมีแววไม้นั่นเองลูกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกที่อาภัพให้เห็นได้ไง่าย เช่นเป็นคนขี้หลงขี้ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเหงาหานอนแมจะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่หงุดหงิดเศร้าซึมเลื่อนลอยขี้วาดกลัวหาความสุขความร่าเริงไม่ได้เห็นคนก็ไม่กล้าสบตาด้วยไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมบางทีทำดีกับใครก็กลับได้ผลในทางตรงกันข้ามกลางคืนนอนก็ฝันร้าย พูดชาเละเลือนจิตใจท้อแท้เหล่านี้ล้วนเป็นนิมิตของคนบาปหนาทั้งสิน้นถ้าลูกรู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนี้ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รังรออยู่เลย โอวาทข้อที่สวิธีสร้างความดีในโอวาทข้อที่สองนั้นทันเลียวฝานได้สอนวิธีแก้ไขความผิดในชีวิตปัจจุบันแต่การที่ไม่ทำผิดในชาตินี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตเสเวยผลดีมีสุขได้ตลอดไปเพราะเหตุว่าแม่ชาตินี้จะมิได้ก่อกรรมทำเข็นเพิ่มขึ้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาติ ก, ก่อนนี้เราทาความไม่ดีอะไรไว้บ้าง ซึ่งจะต้องมีแน่ๆเพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้นที่เราไม่อาจจะทราบได้ซึ่งจะต้องได้รับวิบากแห่งกรรมในชาตินี้ต่อไปฉะนั้นไม่เพียงแต่เราจะต้องละการทำชั่วแล้วเรายังต้องสร้างกรรมดีให้เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นเพราะว่าข้อที่สามนี้ท่านเลียวฝันจึงสอนให้ลูกท่านรู้จักวิธีสร้างความดี ลูกจะต้องอ่านคำภีรเอกเก่งให้เข้าใจอย่างทะลุ ป, ปรุโ ป, ปรง่งเพราะเป็นคำภีร์ที่ดีมากเล่มหนึ่งเพียงหน้าแรกก็ให้กำลังใจกับผู้อ่านอย่างมหาศาลโดยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สั่งสมแต่ความดีไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวจะได้รับผลดีเท่านั้นแม้ลูกหลานเหลวหล่นก็พลอยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วยเพราะเหตุ น, นี้ท่านตาของท่านคงจือนักประราชอัน เรื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่านให้กับท่านพ่อของท่านคงจือ่อเพราะท่านได้พิจารณาอย่างทีถ้วนแล้วว่าชายที่จะมาเป็นบุตรเขยของท่านนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วยังต้องมีบรรพชนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาหลายชั่วอายุคนด้วยและก็เป็นความจริงตระกูนี้ได้ให้กำเนิด น, นักประหลัที่ชาวจีนทั้งประเทศ ต, ต้องสักการะบูชา เป็นปูชนียบุคคลที่หายากในโลกผู้หนึ่งคือท่านคงจือไงลลูกต่อมาท่านคงจือได้สันเสริญท่านตีซุนที่พ่อได้กล่าวให้ลูกฟังไว้ทีหนึ่งแล้วว่าท่านตีซุนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูอย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากบรรพชนของท่านตีซุนจะต้องยินดีปรีดาที่มีลูกหลานที่ดีเช่นนี้มาเส้นไหวบูชา ส่วนลูกหลานที่กระทําตนไม่ดีนั่นแม้จะเส้นไหว้บูชาบรรพชนบรรพชนก็ไม่ยินดีด้วยและไม่ยอมรับการเส้นไหว้บูชาด้วยลูกศึกษาประวัติศาสตร์สมัยชุนชิวแล้วลูกก็จะเข้าใจดีว่าลูกหลานของท่านตีสุนก็คือแคว้นเฉินทั้งหมดได้มีความรุ่งเรืองอยู่นานหลายชั่วอายุคนทีเดียวอ ด, ดีตจึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ลูกจะได้ศึกษา ทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและจดจำมาจากสิ่งที่ดีงามเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของลูกเองมีคุณนางตำแหน่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งมีหน้าที่ถวายพระอักษรท่องเตะเมื่ อ, อยังทรงพระเยาว์ท่านผู้นี้มีบรรพชนที่ยึดอาชีพแจหรือจ้างมาหลายชั่วคนมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่พระอาจารย์ยังไม่เกิดฝนตกนานจนท่วมตลิง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 ไปฟังรวมกันในที่แห่งหนึ่งใกล้บ้านซึ่งมีชัยภูมิดีมากเป็นมงคลแก่ลูกหลานต่อไปทุกวันนี้่วงซุยกระต่ายขาวนี้เป็นที่เรื่องลือกล่าวขวัญกันทั่วทุกทิศสะดุดีในเกียรติคุณของคนแจวหรือจ้าที่เป็นท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ถือกาเนิดมาพออายุได้ยี่สิบปีก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมดและรับราชการเป็นขุนนาง จนเด้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่ห้องเตะเมื่อห้องเตะทรงทราต ถ, ถึงคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ก็ได้โปรดกล้าพระราชทานยศคุนนางให้กับท่านทวดท่านปู่และท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทําความดีงามนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีงามสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปแม่ลูกหลานของพระอาจารย์ก็ได้รับราชการ เป็นใหญ่เป็นโตตราบจนทุกวันนี้มากมายมีสมียนอำเภอท่านหนึ่งแม้จะมีตำแหน่งเล็กๆแต่จิตใจนั้นเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเป็นคนรักษาระเบียบ ว, วินัยของราชการอย่างเคร่งครัดมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ทำสิ่งไรที่ผิดศีลธรรมส่วนนายอำเภอเป็นคนดุร้ายอยู่มาวันหนึ่งนมอเภอสั่งเขี้ยนผู้ต้องหาที่ไม่ยอมรับสารภาพตีจนเนื้อแตกเลือดไหลนองพื้นก็ยังไม่หายโกรธเสมียนอเาเภอทนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกเข่าที่หน้านายอาเภอขอให้ปราณีนักโทษยุดตีสเสียทีนมเภอตอบว่าปราณีน่ดได้ แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษากฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โกรธก ร, รายได้เสียเงี้ยอำเภอจึงโคกศีรษะลงกับพื้นพลางพูดว่าผู้ที่เป็นขุนนางถ้าไม่ชำระความตามเหตุผลข้อเท็จจริงเอาแต่อารมณ์ตนเป็นใหญ่ราศดรย่อมไม่มีตัวอย่างอันดีงามให้ประพฤติปฏิบัติตามจิตใจของระะอัศฎรหาที่ยึดเหนี่ยวเป็นสนรณะไม่ได้การชำระความนั้น แม้จะสอบสวนได้ความจริงออกมาแล้วก็ไม่ควรดีใจจะทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อไม่ได้ความจริงที่อยู่ลึกกว่าความจริงธรรมดาทำให้การชำระความผิดพลาดได้ง่ายแม้จะได้ความจริงทั้งหมดออกมาแล้วก็ยังไม่ควรดีใจควรจะเสียใจและสงสารที่เขาทำผิดโดยความจงใจก็ดีเพราะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ยังต้องนำเมตตาธรรมมาร่วมกับการวินิจฉัยคดีความด้วยทางใดที่จะพอหนักเป็นเบาได้ก็ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปถ้า แ, แสดงความโกรธมากไมยเช่นนี้ผู้ต้องหาเกรงอาญาก็จะรีบยอมรับเสียก่อนท า, ทางทั้งที่ตนมิได้ทำผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะมีเป็นการปรับปรำรัษฎรไปหรือดีใจ ยังเป็นการไม่บังควรจดโกรธได้ที่ไหนแอมเภอสมนึกในคำพูดของสเสมียนอําเภอแต่นั้นมาก็ไม่กล้าแสดงความโกรธความดีใจขณะที่ชำระความอีกเลยสเมเยนอําเภอท่านนี้มีฐานะยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ำไม่เคยขูดรีร์สระสดนไม่ยอมรับของกำนันจากใครมีแต่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและนักโทษวันหนึ่ง มีผู้จองหาหลายคนที่ไม่มีข้าวจะกินหมดอยากมาตลอดทางจากหูวเมืองไกลหน้าตาซีดเซียวหมดเรี้ยวหมดแรงหน้าหาสีเลือดไม่ได้แล้วเป็นที่น่าสงสารยิ่งนักบังเอิญที่บ้านของเสเมียนอำเภอท่านนี้เข้าสารก็กำลังจะหมดเหลืออยู่มือสุดท้ายเท่านั้นถ้านำมาให้ผู้จองหาเหล่านี้แล้วท่านและพัญญาก็จะต้องอดข้ามือนั้นด้วยท่านจึงปรึกษากับพัญญา เพื่อให้พัญญาเป็นผู้ตัดสินใจตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละข้าวมือนั้นนำมาต้มข้าวต้มเลี้ยงผู้ต้องหาทั้งหมดต่อมาพัญญาของท่านก็ได้กำเนิดบุตรชายสองคนล้วนแต่ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเวลาต่อมาและหลานของท่านอีกสองคนก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เช่นกันสมัยพระเจ้าเองจงเป็นฮ่องเต้พฤศิกาาฎหนึ่งัสรา 1, 36, ถึงห4ึ มีขุนโจรก่อกวนจราจรขึ้นที่เมืองหกเกี้ยนมีรัษฎรและนักศึกษาสนับสนุนขุนโจรกันมากมายฮ่องเต้จึงโปรดกล่าวให้ในทหารคุมทัพออกปราบรามในทหารทันนีหาทางจับเป็นขุนโจรได้โดยไม่สูญเสียชีวิตไพร่พลและราษฎรเลยต่อมาทางด้านตะวันออกของเมืองหกเกี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยู่มากมาย ในทหารท่านนี้จึงบัญชาให้ขุนนางในกรมมหาไทยของเมืองนั่นแต่เจียไปออกกวาดล้างแทนท่านถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมดแต่ท่านเจียไม่ยอมปฏิบัติตามท่านกลับให้คนลอบไปแจ้งแก่ราษฎรว่าถ้าใครไม่เข้าข้างโจรก็ให้เอาผ้าขาวแ ข, ขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านในวันที่กองทหารจะเข้าไปตรวจค้นโจรในแต่ละบ้าน แล้วสั่งห้ามมิให้ทหารข่มเพยงราษฎรถ้าบ้านใครมีผ้าขาวแขวนอยู่ก็จะไม่ถูกลงโทษใ ด, ดๆทั้งสิ้นเป็นอันว่ารังกระนั้นราษฎรและนักศึกษารอดตายประมาณหนึ่งหมื่นคนท่านเจียมีคุณธรรมล้ำเลิศต่อมาบุตรชายสอบได้ที่หนึ่งได้เป็นจองหวนรับราชการจนได้เป็นใจเสียงซึ่งเป็นตาแหน่งสูงสุดในราชการฝ่ายบุญคือฝ่ายบริหารประเทศ แต่หลานชายของท่านเจียต่อมาก็สอบได้เป็นที่สามได้รับราชการเช่นกันที่เมืองหกเกีย้ยนมีตระกูลหนึ่งแซ่ลินบรรพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมากชอบทำขนมเลี้ยงคนจนใครมาขอขนมก็รีกกุรีกุจอตักให้ไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเต้าหญิน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 ไม่ได้อีกแล้วท่านจึงพูดกับนางว่าอาตมาฉันขนมของท่านมาสามปีแล้วจึงใครจะขอตอบแทนพระคุณท่านสักทีที่หลังบ้านทั้งท่านมีที่ว่างอยู่ถ้าท่านทำพวงซุ้ยในบริเวณนี้ได้ต่อไปลูกหลานเหรนหลนของท่านจะได้เป็นคุณนางถ้าจะเปรียบก็พูดได้ว่าจะเป็นคุณนางมากมายเท่ากับมเมล็ดงานหนึ่งถังใหญ่ทีเดียว ลองคิดดูกันแล้วกันมเมล็ดงานนั้นเล็กเพียงไรอยู่ในถังใหญ่ๆจะมีปริมาณมากเพียงไรต่อมานางได้ถึงแก่กรรมลงบุตรชายจึงเอาไปฝังไว้ในทีน่นี้อีกไม่นานระกูนี้เข้าสอบครั้งแรกก็สอบได้ถึงเก้าคนได้เป็นคุนนางทั้งหมดเช่นกันได้เป็นขุนนางทุกชั่วคนจนมีคําร่ําลือกันไปทั่วว่า ไม่เคยมีครั้งใดที่การสอบไล่จะไม่มีคนในตระกูลลิ้นติดอันดับอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลเฝิง บุตรชายรับราชการในกองประวัติศาสตร์แห่งชาติก่อนหน้านั้นบิดาสอบได้เป็นที่สิ้วจ่ายทุกชาจะต้องไปเรียนต่อที่อำเภออยู่มาวันหนึ่งอากาศหนาวจัดมากท่านเดินไปตามทางพบคนนอนหนาวจมหิมะอยู่คําดูปรากฏว่าแข็งไปครึ่งตัวแล้วท่านรีบถอดเสื้อหนาวออกใส่ให้พยุงให้ลุกขึ้นพากลับมาบ้านของท่านช่วยประคบประงมจนฟื้นดีดังเดิมคือนั่นท่านฝันไปว่า มีเทวดาองค์หนึ่งมาพูดกับท่านว่าเป็นการยากยิ่งนักที่เจ้าสามารถช่วยเหลือคนให้ฟื้นรอดตายได้อย่างบุดิตเราจะให้หานฉีมาเกิดในตระกูลของเจ้าต่อมาบุตรชายที่เดี๋ยวนี้ทำงานกองประวัติศาสตร์ก็เกิดมาจึงขนานนามว่าฉีตามที่ฝันไปหานฉีท่านนี้เกิดในสมัยราชวงศ์ซองคริสตศักราช9๖ ถึง 1,127 เป็นคุณนางในตำแหน่งใจเสี่ยงถึงสองราชการคือพระเจ้าอิงจงห่องเตคฤริตศักราช 1,064 ถึง 1,067 และพระเจ้าเรินจงห่องเตคฤริตกราช 1,068 ถึง 1,085 เป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นที่เกรงขามของชาวต่างประเทศยิ่งนักเกียรติคุณของท่านแผ่ไพศาลมา่ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว พระเจ้าเสริญจงห้องเตะได้โปรโดกล่าวสถาปนาเป็นที่จงเสียนกงเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อความจงรักภักดีและรักชาติยิ่งมีขุนนางท่านหนึ่งแซอิงเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในวัยกลางคนได้เป็นสิวจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นขุนนางจึงไปนั่งท่องตำราในเขาแห่งหนึ่งซึ่งปลอดจากผู้คนมารบกวน แต่เสียงปีศาจร้องกันมากมายชุมนุมกันอยู่ในบริเวณนั้นท่านแสยอิ้งก็ไม่กลัวอยู่มาคืนหนึ่งท่านได้ยินเสียงปีศาจคุยกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเดินทางไปหากินยังแดนไกลนานแล้วไม่กลับมาพ่อผัวแม่ผัวก็เลยบังคับให้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานเช้าใหม่ผู้หญิงไม่ยอมจะมาแขวนคอตายแถวนี้ในคืนพรุ่งนี้ ปีศาจตนหนึงซึ่งก็ผู้คอตายมาเหมือนกันจะมีคนมาแทนก็จักได้ไปเกิดใหม่เสียทีท่านแต่อิงได้ยินเข้าก็บังเกิดความสงสารผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจับใจจึงนำที่นาของตนไปขายอย่างเงียบๆได้เงินมาสี่ตำลึงจึงเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งแล้วส่งไปยังบ้านของแม่ผัวพ่อผัวของผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เห็นจดหมายก็รู้ว่า ไม่ใช่ลายมือของบุตรตนพากันสงสัยแต่แล้วก็ลงความเห็นกันว่าจดหมายนั้นอาจจะปลอมกันได้แต่เงินนั้นถ้าไม่ใช่ลูกแล้วจะเป็นใครส่งมาให้เราก็เชื่อกันว่าลูกของตนคงสุขสบายดีจึงส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ก็เลยกลับใจไม่บังคับให้ลูกสะพ้ายไปแต่งงานใหม่ต่อมาบุตรชายของตนกลับมาสามีพัญญาก็ได้อยู่กินเป็นปกติสุขตลอดมา ต่อมาอีกคืนนึ่งท่านแซอิงก็ได้ยินปีศาจพูดกันว่าฉันน่าจะมีคนมาตายแทนแล้วจ้านะแต่ซิลจเนี่ยทําเสียเรื่องหมดปีศาจอีกตนหนึ่งก็พูดขึ้นว่างั้นเราก็ช่วยกันฆ่าเถอะเถอะปีศาจตนแรกบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าวทพระเจ้าเบื้องบนเห็นเขาเป็นคนใจดีจึงได้ดแต่งตั้งให้เขาเป็นคุณนา น, นโยมโลกจึงทําร้ายเขาไม่ได้เส้าแล้ว ท่านแสออ็งได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นยามเกิดทุพิลภัยก็นำข้าวไปแจกจ่ายแก่ผู้อดอยากยามเมื่อญาติมิตรเดือดร้อนก็ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถยามประสบภัยพิบัติก็ไม่เคยโทษฟ้าโทษ ด, ดินกลับโทษตนเองว่าได้ก่ออาุศลกรรมมาจึงยอมรับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างสงบเมื่อได้เป็นคุณ น, นางแล้ว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 เป็นตัวอย่างอันดีงามที่เจ้าของนาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นท่านยังนำข้าวที่เก็บไว้มาแจกจ่ายแก่คนยากไร้อีกด้วยพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงปีศาจมาร้องว่าแม้จะพูดสักพันครั้งหรือว่าสักหมื่นครั้งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นความจรงิงที่ซิวใจ่ายในตระกูลซื้อนี่จะได้เป็นกื้ยินแล้วปีศาจร้องอยู่ทุกคืนติดต่อกันนานจนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อมีการสอบไล่ซิลจ่ายท่านนี้ก็ไปสอบกับเขาด้วยปรากฏว่าสอบได้เป็นที่คือญินจริงตามที่ปีศาจมาร้องบิดาของท่านเห็นว่าการทําดีเพียงเท่านี้ยังได้ผลดีถึงเพียงนี้ท่านก็ยิ่งมุมาณนะทําดียิ่งยิ่งขึ้นสะพานชำรุดท่านก็ให้คนไปซ่อมเสียให้ดีถนนทุนทางครูกระสัญจรไม่สะดวกท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อยภิกษุที่ไม่มีโยมอุปถัก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 จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงสุดในภูทรต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมีขุนนางอีกท่านหนึ่งแซ่ถูเราประชการอยู่ในเรือนจำที่เมืองเกียหงท่านพักอยู่ในเรือนจำมีเวลาว่างท่านก็จะไปคุยกับพวกนักโทษเพื่อจะได้รู้ความจริงว่านักโทษนั่นทำผิดจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามีนักโทษหลายคนที่ไม่ได้กระทาผิดตามที่ถูกกล่าวหาท่านจึงทาบันทึกไปมอบให้ ผู้บังคับบัญชาการพิจารณาโทษในสมัยนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาคดีสมขั้นตอนเดียกันเมื่อสอบสวนได้ความอย่างไรในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ส่งตัวนักโทษมายัางคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ความอย่างไรแล้วก็นำทูลกล้าวถวายห้องเตะให้ทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งโดยแยกเสนอนักโทษออกเป็นสามประเภทคือประเภทที่กระทำความผิดจริง ประเภทที่สองเป็นนักโทษที่รอการลงอาญาได้ประเภทที่สามเป็นนักโทษที่ควรให้อภัยโทษทั้งหมดนี้ก็สุดแล้วแต่ห้องเตจะทรงวินิจฉัยอย่างไรถ้ารับสั่งให้ประหารก็ประหารทันทีส่วนพวกที่รอการลงอาญาถ้าโชคดีก็อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสําคัญของห้องเตท่านแท้ถูนี่เมื่อท่านสอบสวนได้ความจริงจากนักโทษแล้วท่านก็ทําบันทึกส่ง บบบัังคญธรรมเนียมในสมัยนั้นถ้าผู้ใดสามารถสืบได้ความจริงว่านักโทษไม่ผิดแต่ถูกปรับปรามก็จะได้รับความดีความชอบแต่ท่านแท่ถูนี้ท่านมิได้คิดเอาดีเอาชอบปรับยกความดีความชอบนั่นให้แก่ผู้บังคับบัญชาของตนมีความประสงค์แต่จะช่วยแก้ทุกข์ให้กับนักโทษเท่านั้นนักโทษถูกปลดปล่อยเพราะท่านในขณะนั้นสิบกว่าคน ราศฎรต่างพากันชื่นชมยินดีโดยไม่ทราบว่าทิฏแท้เป็นการปิดทองหลังพระของท่านแท้ถูนั่นเองท่านแท้ถูยังเสนอต่อผู้บงังคับบัญชาว่าในเมืองหลวงแท้แท้ยังมีผู้ถูกปรับปรามากมายเช่นนี้แถาผู้เมืองที่กลายปืนเที่ยงออกไปจะได้รับความอายุติธรรมขนาดไหนควรที่จะแต่งตั้งคนดีมีความยุติธรรมเป็นผู้ตรวจการต่างพระเนต ร, รกันทุกๆห้าปี ควรมีผู้ตรวจการไปรื้อฟื้นคดีมาพิจารณากันใหม่ถ้าเป็นการกระทําผิดจริงก็ยังจะต้องพิจารณาว่าได้ผีพักษ า, าลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่าถ้านักใบก็ควรพรให้เบาถ้าเบาไปก็ต้องเพิ่มโทษให้นักขึ้นไปอีกเพื่อทรงความยุติธรรมไว้ผู้ใดมิได้กระทําผิดก็สมควรปล่อยตัวไปเสียฮ่องเ ต, ต้ทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกย้ายกันไปตามผู้เมืองน้อยใหญ่ ท่านแท้ถูก็ได้รับแต่งตั้งด้วยอยู่มาคืนหนึ่งท่านฝันไปว่ามีเทวดามาชมเชยท่านว่าการกระทำของท่านเป็นที่ถูกใจของฟ้าดินเป็นอันมากความจริงท่านแท้ถูมีชะตาชีวิตไรบุตรสืบสกุลแต่เนื่องจากความดีครั้งนี้ใหญ่หลวงนักฟ้าดินจึงประทานบุตรชายให้ท่านสามคนต่อไปจะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสิน้นต่อมา ความฝันนั้นก็กลายเป็นความจริงมีอีกท่านหนึ่งแท่เป่าบิดาของท่านเป็นขุนนางตำแหน่งข้าหลวงท่านมีพี่น้องเจ็ดคนท่านเป็นลูกคนสุดท้อง แต่งงานแล้วแต่ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายท่านชอบพอกับท่านบิดาของพ่อมากไปมาหาัสู่กันเสมอท่านเป็นคนเกง่งมีความรู้มากมายแต่เสดายที่สอบเป็นกือหยินตกทุกปีท่านสนใจพระพุทธศาสนาและละทัทธิเต๋ามากวันหนึ่งท่านไปเที่ยวที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งไปพบสันเจ้าเก่าๆมีสภาพทุดโทรมมาก เข้าไปในศาลก็เห็นรูปเทพเจ้ากวนอิมยืนตากฝนเปียกอยู่ท่านจึงรีบหยิบเงินในกระเป๋าของท่านซึ่งมีอยู่สิบตำลึงถวายท่านจเจ้าอาวาสให้ซ่อมแซมให้ดีด้วยท่านจเจ้าอาวาสบอกว่าเงินเพียงเท่า น, นี้ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมได้หมดท่านจึงหยิบผ้าที่เพิ่งซื้อมาสี่พับกับเสื้อผ้าที่ติดตัวมาอีกเจ็ดชุดถวายแต่ท่านจเจ้าอาวาสคนใช้ได้ห้ามขึ้นบ่า เสือ้อผ้าลราเนี่ยเพิ่งทํามาใหม่ๆแล้วท่านจะใช้อะไรมาแทนเล่าท่านบอกว่าช่างเถิดขอให้เทพเจ้าควรอิม่มไม่ต้องตากแดดตากฝนก็พอใจแล้วเราไม่มีเสื้อใส่จะเป็นไรไปท่านจเจ้าวาดได้ฟังแล้วประทับใจามากร้องไห้พลางพูดว่าของที่ให้มานั่นหาไมา่ยากหรอกแต่น้ําใจเช่นนี้สิจะหาได้จากที่ไหน